นาคจาพรรษาปี2553 ห, หลวงพ่อนัดให้นาคทุกนาคเข้ามาวันที่10หรือ11กกรกฎา53แต่วันบวชจริงๆก็คงจะเป็นวันที่17วันที่17กกรกฎา53เป็นวันบวชแต่วันรับนาคคือวันที่ 1ิบคือรับก่อนบวชหนึ่งอาทิตย์ถ้าว่ารับระยะกระชั้นชิดเกินไปกระทำให้นากที่เขามาบวชนั้นหนักใจเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้รับไว้แต่นันเดินสักหน่อยเพื่อจะได้ฝึกซ้อมให้เข้ากันให้ทำนองเข้ากันให้จำอักษรให้แม่นเพราะว่าการบวชเราก็ต้องเตรียม เตรียมพร้อมพอสมควรไม่ใช่ว่าเขามาบวชแล้วก็บวชแบบความท่องจําอะไรก็ไม่ได้อุปชาว่ายังไงก็ว่าตามให้อุปชาอย่างนั้นใช้ไม่ได้หลวงพ่อไม่เอาถ้าจะบวชก็ต้องเป็นจิตจะลักษณะให้การให้ท่องสาธยายให้ได้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ดึกดําบรรคือพระสมัยก่อนนู้นน่ะพอเห็นคนที่รู้จักมักคุ้นตามถนนหนทางพอมีผ้ามาแล้วเอาบทบทผมท่องอะไรไม่ได้ครับผมขอคําบทไม่ได้ครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าตามอยากนั้นเขาบวชให้พอบวชให้มาแล้วก็ปล่อยปะหน้าเลยสิไม่ได้สนใจที่อาจารย์ที่บวชให้ ผลที่สุดที่พระใหม่ก็บวชเข้ามาก็ไม่รู้จักไม่รู้จักขนบรรมเนียมประเพณีของพระเท่นีก็เลยเดินตโตโตเต๋ติเพราะขาดความรับผิดชอบและก็ศรัทธาก็ไม่อยากจะบวชอีกต่างหากเพราะว่าที่บวชขึ้นมานี้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์แนะนำเรียว่าบังคับให้บวชผลที่สุดก็เลยเพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัย ในยุคสมัยนั้นพระพุทธศาสนาก็เลอะเลือนทีองค์หนึ่งไปอย่างหนึ่งองค์หนึ่งไปอย่างหนึ่งชาวบ้านเขาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุผู้ท่านผู้แข่งในวินัยแข่งในศิลแต่เอาทําไมพระยุคสมัยนี้ทําไมเป็นอย่างนี้พอสืบสอบเข้าไปแล้วเขาบวชไม่ใช่บวช ด, ด้วยศรัทธาเพียงแต่ว่าพระบังคับให้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย เวลาเห็นชาวบ้านเขาทานอาหารตัวเองไม่มีอาหารฉันก็ชูบาทเข้าไปในสําหรับกับข้าวของเขาใครๆบ่าไม่มีมารยาทเมือนกันแต่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยขึ้นมานั่นแหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าต้องมีเหตุซะก่อนจึงบัญญัติวินัยภิกษุใดก็าตามที่จะนํานกุลบุตรมาบวชต้องให้กล่าวคําขอบวชซะก่อนคือเขาอยากจะบวชซะก่อนจึงให้บวช ไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาบวชเนะีเพราะฉะนั้นจึงมีหลักพระธรรมวิ น, นัยจากนั้นกับเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5ปีเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของครูบาอาจารย์ซะก่อนจึงค่อยปล่อยออกไปถ้าหาว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนรู้หลักพระธรรมวินัยกระทาหทให้ออกไปแล้วก็ไม่รู้จักการปฏิบัติตนก็ทําให้ พุทธบริษัทสตำหนิตีเตียนแล้วก็ทำให้ศาสนาพระพุทธองค์มัวหมองไปด้วยเพราะว่าการกระทำของพระไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างวัดของเราเนี่ยเราก็ต้องยึดตามแนวแถวที่ท่านวางไว้แล้วพอผู้ที่จะเข้ามาบวชก็ต้องสาธยายหรือว่าขอบวชซะก่อนให้ถูกต้องตามอักษร เป็นเสียจะผิดผิดนิดนิดน่อหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผิดไม่ท่องทั้งดุนเลยมาว่าตามเอาเลยอันนั้นไม่ได้หลวงพ่อจะไม่ไม่ให้บวชเลยเหมนนเะเพรนั้นขอให้นาคทุกนาคที่เขามาเตรียมการในการบวชในคราวนี้ก็ให้ตังค์อกตังใจแต่ว่านาคปีนี้หลวงพ่อว่าไม่คงจะเจ็ดปดลกหรือหน้าไม่น่าจะถึงสิบหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้ละนี่แหละ วันพุ่งนี่จะรู้ได้หลวงพ่อเองก็พอผู้ที่แสดงความจำนองว่าอยากจะบวชก็มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่ว่าเออเอเอหลวงพ่อก็ไม่ได้จดชื่อจดเสียงเอาไว้เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อเคยจดชื่อเอาไว้พอวันจะบวชจริงๆก็ไม่ได้บวชก็มีเพราะเหตุไรเพราะผมติดธุระครับหลวงพ่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างกรลาการงานไม่ได้บ้างไง จากนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่เคยจดผู้ที่จะเข้ามาบวชวันนี้วันนัดกันไม่พบก็แลปลว่าคนนั้นไม่ได้บวชถ้าวันนัดกันแล้วผู้ที่เข้ามาอันนั้นแหละคือวันนั้นผู้นั้นได้บวชนะเพราะนั้นวันนี้ละเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าเข้ามาบวชนะแต่บางคนก็เข้ามาเพรว่าผมลา ง, งานยังไม่ได้ครับหลวงพ่อ แต่ว่าผมจะขอไปเคลียร์งานซะก่อนแต่ผมจะกลับเข้ามาอีกหลวงพ่อจะรับได้ไหมอืมต้องดูซะก่อนนะถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องท่องหนากให้ได้แล้วอาจจะบวชอีกวันที่ยี่สิบห้าสักรอบหนึ่งก็ได้ทำเป็นถ้าวาตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงหลวงพ่อก็คงจะให้บวชอีกสักครั้งหนึ่งในวันนั้นแต่ว่าจะบวชกระจิบกระจอยนะั้นไม่ได้เพราะ เพระอุปชาไม่ใช่อยู่ที่วัดของเราอุปชาของท่านก็ติดทุละเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องนิมนต์มาเป็นจิตจาลักษณะครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สวดของคงจะมาพร้อมกันแต่เท่านี้วิธีการบวชเท่เนี้อย่างหน้าของเราที่มาพร้อมกันน่ยวันที่สิเจดวันที่สิเจกรกฎาเนี่ยเป็นวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์หลวงพ่อจะได้ไปงานฉลอง ศาลาของท่านหน่อยบ้านห้วยชั่วท่านมอบศาลามอบพระประธานหลวงพ่อคงได้ออกไปแต่เช้าวันที่วันที่18ดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงทําบวชวันที่สิเจ็ดซะตรงกับวันเสาร์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาก็คงจะมาได้ลาวันศุกร์สักวันหนึ่งหรือพอมาตอนเย็นวันศุกร์ก็ยังได้ทีนี้ก็มาหรือว่าจะผู้อยู่ใกล้ก็ มาวันเสาร์เลยก็ได้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะหลวงพ่อเ็ให้บวชวันที่สิบเจ็ดนะบอกประกาศทั่วหน้ากันและก็พร้อมกันวันศุกร์ถ้าหากว่ามีญาติพี่น้องมานอนวัดก็คงจะปรงผมปรงผมนาคตั้งแต่วันศุกร์ถ้าว่าญาติพี่น้องมายังไม่พร้อมอยากจะมาปรงผมให้นาคตัดผมให้นาคอาจจะปรงตอนเช้าก็ได้ ในอนี้หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นนะให้พระในวัดของหลวงพ่อปฏิบัติอย่างนั้นถ้าว่าไม่พร้อมกับตนเช้าของวันที่สิบเจ็ดค่อยปองผมปองผมแล้วก็ค่อยมากรอกใบสมัครนะสมัครบวชนะมีมีใบสมัครโดยนะั้นทุกวันนี้พอสมัครบวชก็มีพยานผู้รับประกันอีกต่างหากผู้ประกันว่าหน้าคนนี้รับรองว่าไม่มี คดีอธิกรณ์ความไม่มีหนีสินถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็อข้อความแล้วก็เป็นพยานอันนี้ก็คือวันที่สิบเจ็ดนะจากนั้นเขาคงขึ้นมาบวชพร้อมกันแต่หลวงพ่อสองปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็บวชกับคุณหลวงเนี่ยแหละคุณหลวงที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาท่านจัดโครงการบวดเพื่อบูชาพระคุณหลวงตา แต่ปีนี้ถึงจะไม่บอกในานามของพระคุณหลวงตาหลวงพ่อก็จะบอกนาคทุกคนเหมือนกันเออพวกเราบวชเข้ามาในครั้งนี้เพื่อบูญชาพระคุณหลวงตาเนะให้หลวงตาเป็นร่มโพร่มไทของพวกเรายาวนานจากนั้นพวกเราก็จะได้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามคํามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกเราบวชเข้ามานี่มีความหมายเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาแต่บูชาพระคุณพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระคุณของบุคพอาจารยน์นั้นก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราบูชาบุ ร, าารบพาจารย์บุพคาจารย์คืออาจารย์ที่สอนแนะนำสั่งสอนพวกเราปีนี้ก็คงจะทำอย่างนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละ แล้วก็พร้อมกันก็ขอให้ผู้ที่เขามาบวชกระทั้งอกตั้งใจละปีนี่เพราะชีวิตทั้งชีวิตของเราเราก็ตั้งท่าตั้งทางทั้งอกตั้งใจมาหลายปีอยากจะบวชแต่บัดนี้ก็ได้เขามาบวชสมใจที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็พร้อมกันก็ให้เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักพระธรรมวินัยและตอนนี้สําหรับญาติโยมวันนี้เป็นวันพระ เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดแปดแรกเพาะงั้นอ่ะแปดแรกแปดที่สองกำลังจะเพนเนี่ยแะแปดที่สองแปดเพนแปลว่าเข้าพรรษาเดือนแปดเพนเพนสองเหมือนั ป, นนนนปีที่มันแปดสองโหนนะอันนี้แปลว่าดับแปดแรกเพราะงั้นอ่ะเพราะนั้นเป็นวันพระใหญ่วันนี้นและอีกสิบห้าวันจากนี้ไปก็เป็นวันเข้าพรรษา ผมนั่นขอให้คณะสัตยาธิโยมทุกหมู่เหล่านะที่มานั่งอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อแห่งนี้ควรจะวางแผนตัวเองเอาไว้เหมือนกันนะวางแผนชีวิตของตนเองเอาไว้เหมือนกันสมเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรที่เป็นจิตจลักษณะทําอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลทําอะไรที่เป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจของเรานะ อันนี้เขาอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนช่วยกันคิดว่างั้นเถอะคือพวกเราจะทําอะไรในพรรานี้จะใส่บาตรทุกวันจะไหว้พระทุกวันจะรักษาศีลอุโบสถจะรักษาศีลห้าตลอดไตรามาสสามเดือนหรือจะไหว้พระทุกวันด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์ จะไปกราบพ่อกราบแม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่วันเสาร์ก็ต้องวันอาทิตย์แท้วันเสาร์ไปกราบทางพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์ก็ไปกราบพ่อแม่ของตนเองพาลูกไปกราบไปคารวะพ่อแม่หรือสองอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไปทางหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไปทางหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะคิดไว้ในใจอีกเหมือนกันนะคือใ ห, ให้มันเป็นสัจจะ ให้มีความให้เป็นสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันก็ผ่านไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นสัต์เป็นจริงแต่ถ้าพวกเราตั้งใจจริงอย่างนั้นตรงพ่อว่าเมื่อเราทำทำผ่านไปแล้วก็จะมีความสุขในจิตใจเนี่อย่างวันพระข้าพเจ้าจะมาทุกวันพระหีื ว, ว่าทุกวันอาทิตย์ ที่มาวัดวาศาสนามากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์มากราบพระพุทธปฏิมามาใส่บาตรและก็มารักษาศีลอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นล้นแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเลวลาจะใส่บาตรทุกวันเนี่ยเราก็ตื่นสายเนี่ยพระก็ไม่ค่อยจะมีอีกต่างหากเราจะทำยังไงถ้าว่าพวกเรามีความข ย, ยันมีความตั้งใจจนกว่าวเราจะใส่บาตรหลวงตาอย่างนี้เนะีย แล้วใส่บาตหลวงปู่วัดโพอย่างเนี้ยพระผู้เท่าเนี้ยเราก็วันนี้เราจะใส่อะไรใส่กล้วยหอมใบนึงใส่กล้วยหอมลูกหนึงเราก็รู้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่เราก็ใส่หยอดกระปุกลงไปเราจะใส่นมกล่องหนึงเราก็หยอดกระปุกลงไปเป็นการทำบุญทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันเสาร์หรือว่าทุกวันพระ อย่างนั้นการเราปัจจัยไปถวายท่านอันนี้เป็นค่าอาหารถวายพระตาหารพระสงฆ์ถวายพระตาหา ร, ราหารลวงตาเนี่ยอันล้นแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหะถ้าว่าพวกเราใส่ใจนะถ้าว่าพวกเราไม่ใส่ใจก็อย่างว่านะ่ะผันผ่านไปผันผ่านไปแต่ตามที่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่าให้เสียเสียทีย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ไม่ใช่ของเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเมื่อเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพวกเราได้เกิดมาพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของหาได้ง่ายอีกในเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะสนใจใส่ใจศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาก็หาได้ยากอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราคิดดู พระพุทธศาสนามีอยู่ในโลกแต่เราไม่เกิดจะประเทศอื่นที่เขาไม่นับถือแปลว่าชาติชาตินั้นกขไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าเรามาเกิดในเมืองไทยก็จริงอยู่แต่เราไม่เชื่อบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วศูนย์ไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันถึงจะมาอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้ศึกษาในทำคําสอนของพุทธะอันนี้เราก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือไม่ได้เลื่อมใส เพรนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วในคราวนี้อย่าได้เสียท่าเสียทีรักษาศีลภาวนาตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมเพราะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องของใจเป็นสําคัญแต่รูปร่างกลางตัวเป็นมาอย่างไงก็เป็นไปอย่างนั้นตกแต่งได้นิดหน่อยแต่จิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่งได้ตกแต่งได้ ให้เป็นคนโง่ก็ได้ให้เป็นคนฉลาดก็ได้ให้เป็นพาระชนก็ได้ให้เป็นนักเลงก็ได้ให้เป็นใจโหดเหี้ยมก็ได้ให้เป็นผู้มีเม ต, ตาก็ได้สอนได้ต้องเอาหลักเหตุผลเข้าไปสอนต้องตีกร อ, อกให้จิตใจเข้าศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะแล้วจิตใจของเราเป็นธรรมะในจิตในใจแล้วนั่นแหละเท่นี้ใจของเราเป็นธรรมะการพูดออกไปก็เป็นธรรมะ เป็นเรื่องที่เป็นศิลปเป็นธรรมการกระทำออกไปก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นศิลปเป็นธรรมเพราะเหตุใรเพราะใจที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้มีศิล์และธรรมแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นนักเลงหัวไม้ในจิตในใจพอพูดออกไปเถอะวาจาออกไปคําพูดออกไปเถอะมีแต่มัดมีแต่มวยฮะแล้วก็การแสดงออกไปทางกายก็มีแต่ ธาลุนโหดเทียมเพราะอะไรเพราะใจของเราฝึกฝนไปทางนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านต้องฝึกฝนใจเราตถาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสูรร้ทำไม่ใช่ตัดสู้อย่างอื่นใจของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงใจของพระองค์ได้เป็นพุทธใจของพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นเมื่อตัดสู้ธรรมแล้วนํำทำคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ ให้แก่สาวกคือสาวกให้ศึกษาอีกตัวเนี่ย้างอบรมทางด้านจิตใจอีกเพราะฉะนั้นธรรมใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นหัวหน้าเนี่ยควรจะได้รับการอบรมหัวหน้าคือใจเนี่ยควรสมควรจะต้องได้รับการอบรมอบรมธรรมะคืออบรมใจคืออะไรคือธรรมะนะอบรมยังไงสมบัติศีลสมาธิปัญญาสําหรับพระนะ แต่สำหรับญาติโยมท่านบอกว่าทานศีลภาวนาทําไมญาติโยมจะว่าให้มีทานเพราะญาติโยมทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายทําการทํางานเ ส, สะแสวงหาทรัพย์อันนี้ต้องมีฐานะคือทานถ้าคนที่ไม่ทําบุญทําทานไม่มีการเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคณาญาติให้ญาติไม่เสีหายให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ยอมเสียภาษีอะไรเลยเนี่ย เกิดมาต่างคนต่างขี้ตันีถี่เหนียวไปหมดโลกท้งโลกกเกือดแห้งหมดเพราะงั้นไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาต่อกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ฐานะคือมีการทําบุญทำทานเนอร์สำหรับคารวะต้องรู้จักแบ่งให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเมื่อเราได้มาโดยเป็นธรรมแต่ไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่เก็บทั้งหมดแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้ให้เฉลือเผือแพ่ผู้ที่อยู่ใกล้ ความร่วมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่มีน้ําใจไม่มีการเสลอ่ยเผื่อแผ่เชลยพี่น้องเพื่อนฝูงก็เข้าเราไม่ได้เข้ากันไม่ติดว่างั้นอ่ะพระพระพุทธองค์ท่านมาอย่างนั้นเพราะท่านท่านจึงสอนให้ทานฐานะคือการให้ทานสําหรับฆราวาสจากนั้นก็ศีลคนเราต้องมีกฎมีกติกากันอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎไม่มีกติกาแล้วใครมีอํานาจใหญ่มีพักพวกมาก ก็จะเบียดเบียนพวกพักพวกน้อยผู้มีอานาจน้อยก็ทําให้มนุษย์ทั้งอยู่ด้วยกันด้วยความขับแข้นด้วยความทุกข์ใจผลที่สุก็เกิดฆ่าฟันลันแทงกันขึ้นมาได้ไง่ายๆมนุษย์เนี่ยไม่เอาไม่ได้ทางหนึ่งมันก็เอาทางหนึ่งไม่ได้ทางแจ้งมันก็ต้องเอาทางลับเพราะงั้นะเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันจึงให้มีกฎกติกาคือกฎศินอย่าฆ่ากันเน้อย่าคนะําโมยกันเนะ้ออย่าประพฤติผิด ลาบสามีภรรยาคนอื่นเขาเนออย่าโกหกเนออย่ากินเหล้าเนอรเนี่ยอย่าไปดื่มสุรานเนอรนี่ยนี่แหละถ้าดื่มสุลาเข้าไปแล้วมันขาดสติทําความชั่วเสียหายได้ง่ายนะนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าคือกฎกติกาการอยู่ด้วยกันของมนุษย์ชาตินะจากนั้นท่านสอนทางด้านจิตใจอีกทีนึงจิตใจของเราอบรมได้เนอจะให้คนจะเป็นให้เป็นคนโง่ก็ได้ให้เป็นคนฉลาดก็ได้ให้เป็นนักปราชญ์ก็ได้ให้เป็นคนพานก็ได้ สอนได้ฝึกได้ใจเพระพระพุทธองค์ก็สอนวิธีการฝึกใจเราไปฝึกที่วันเดือนหกเพ็นที่โคนต้นโพนั่นะวันนั้นแหะเราฝึกสําเร็จจิตใจของเราพระพุทธองค์ก็บอกนะวิธีการฝึกท่านน้อยนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกไม่คิดถึงอดีตไม่ติดไม่คิดต้องคิดถึงอนาคตะให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมกูกนี่แหละคือวิธีฝึกหัดใจในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรใช่ไหมเราจะมองเห็นได้เพราะจิตใจของเรา อ่อนน้อมแหะจิตใจของเราอยู่กับตัวแะจิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมแต่ถ้าว่าใจของเราปล่อยปล่อยใจเออละเหยลอยลมไปเรื่อยบางทีก็เป็นนักเลงหัวไม้มันชอบทางไหนกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันต้องชอบทางต่ำเหมือนกันนะทางไหนเป็นทางต่ำมันชอบทางนั้นเที่ยวสัมมาเลเทม า, าไปเรื่อยข้าคดโกงไปเรื่อยเอารัดเอาเปียบคนอื่นไปเรื่อยมนุษย์ จิตใจของปุถุชนต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมีทำเข้าสู่จิตใจแล้วการกระทำอย่างนั้นมันถูกไหมการกระทำอย่างนั้นมันถูกไหมถ้าเขามากระทาให้แกเราเราพอใจไหมถ้าเราไปทำให้แก่เขาน่ะเราไม่รู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรเขาก็คงไม่คงไม่พอใจถ้าเขามาทำให้แก่เราเราก็ไม่พอใจแน่อย่างที่เราไปทำให้แกเขานี้นี่แหละ อันนี้ก็คือถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเราจะระลึกได้เราจะมองเห็นได้ความดีความชั่วนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกคณะัาติญาติโยมลูกหลานทุกคนหน้าในพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้โพดเนั่นนะในพรรษานี้เราควรจะยึดอะไรควรจะยึดการทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลอบายยมกุกข้าพเจ้าจ ง, งดบุรี ข้าพเจ้าจะงดเหล้าในพรรษานี้แต่ข้อสําคัญเวลางดเหล้าพอออกพรรษาแล้วกอกเบิกถอยหลังอีกเลยอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยเห็นเลยพอออกพรรษาแล้วโอ้หัวลาน้ําเลยกันนะเบิกถอยหลังเราว่าสิ่งนี้มันชั่วอยู่แล้วนะออกพรรษาแล้วก็พยายามห่างห่างห่างห่างหยุดไปได้เลยอันนั้นไม่จริงจริงจะถูกต้องพอเราดื่มเข้าไปเลยคนที่เกี่ยวข้องกับเราที่อยู่ใกล้ชิดเราไปไง สามีภรรยาลกูกหลานญาติพี่น้องเห็นเราดื่มสุราเข้าไปแล้วใหม่ๆก็พอดูได้นะต่อไปมันดูไม่ได้นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรามองตนเองนะดูตนเองนะว่าการกระทําอย่างนี้เป็นยังไงแล้วก็มองคนอื่นด้วยถ้ามองคนอื่นเออเขากินเหล้าแล้วเขาเป็นยังไงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเอ า, าใจของเราไม่ได้เพราะนั้นแหะเพราะนั้นขอให้คณะทศัทยญาติโยม ทุกหลานทุกคนนะในพรรษานี้ควรจะยึดอะไรเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้ธรรมท่านรู้ว่าตายตายแล้วอะไรอันไหนตายร่างกายเนี่ตายแน่นอนเหมือนกันน่ะธาตุสีดินน้ำลมไฟทไําไม่เจอธาตุสีร่างกายของเรานี่ยธาตุสีคือธาตุดินก็คือกระดูกเหมือนันน่ะ ธาตุน้ําก็คือน้ําปัสสาวะน้ําเลือดเนี่ยธาตุน้ําธาตุลมลมหายใจเข้าออกธาตุไฟก็คือร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยอันนี้แหละคือธาตุไฟของมนุษย์เป็นไงเน่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของมนุษย์เป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟไประชุมกันอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งมันแตกนะทั้งมันดินเข้าสู่ดินน้ําลงไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลม มันจะไม่ถาวรนะไม่ถึงร้อยปีนะเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมตัวเอาไว้ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกสรุปแล้วก็คือทำความเข้าใจกับใจตัวเองเหมือนกัอะทํทำความเข้าใจกับใจตัวเอ ง, เ ต, เองตัวนึกคิดนึกคิดเนีนะ่ยตัวนี้แหละให้คิดเอาไว้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่จิตังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนละไม่มีใครที่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้เพราะนั้นขอให้พวกใจอย่าหลงนะ อย่าประมาทจนเกินไปนะใจนะคือสอนใจตนเองนะไม่ใช่ให้สอนคนอื่นในะสอนใจตนเองเมื่อสอนใจตนเองเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็จะทําสิ่งนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าตายแล้วไม่สูญนี่แหละตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีพระพุทธเจ้าที่ตัดรู้แล้วกายแตกตายแต่วิญญาณเนี่ไม่แตกนะไปไปปฏิสนที่ไปหาโกลอที่อื่นอีกถ้าเรามีบุญ บุญกุศลติดจิตติดใจไปจิตวิญญาณนั้นไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมไปได้ทั้งนั้นถ้าเราใจตรงนั้นชําละกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วใจตรงนั้นก็เข้าสู่นิพพานปรินิพพานไปเลยถ้าว่าใจหมดกิเลสนะถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เออเอาไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นเทวบุตรเท ว, วดาไปแต่ถ้าว่าใจตรงนั้นมีบาปเนี่ยเกิดขึ้นมาชาติมิจะทำบาปอย่างเดียว พอออกจากชาตินี่ก็ตกนระกหมกไหม่ไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์ที่ไรฉานสัตว์ที่ไรฉานก็มีวิญญาณเหมือนกันนะไปเกิดเป็นนกหนูปูปีกได้ทั้งรัดเพราะงั้นใจของเราเนะี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าใจของเรานี่ยฝึกได้เนะให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะต่อเ น, นี้ไปรับพรนะตอนนีนอนุโมทนาให้พร